พระธรรมเทศนาแผ่นที่63าลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่25เมษายน2557มีชื่อเรื่องว่าอาจจะสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงตาที่วัดป่านาคำน้อย วันนี้ก็จะมีคณะรัทธาญาติโยมก็คงจะนัดหมายให้ผู้ใหญ่บ้านใน 4-5 ห้าหมู่บ้านเข้ามารับของเพื่อเอาไปแจกในชุมชนเพราะหลวงพ่อเคยแจกมาทุกปีในละแวกนี้ที่พระไปบินทบบาทในหมู่บ้านของพี่น้องชาวบ้านเมื่อพี่น้องชาวบ้านก็ได้ใส่บาตรพระสงฆ์ หลวงพ่อปีหนึ่งน่าจะมีของสําร่วยแจกให้กับผี่น้องแต่และครอบครัวทุกครอบครัวที่อยู่ในในในหมู่บ้านแต่บางคนก็เคยเสนอว่าทําไมแจกแต่คนยากจนก็พอมั่งแต่ถามถามใครๆก็ว่ายากจนด้วยกันทั้งหมดท่นี่ใครใก็ไม่เป็นไม่มีไม่มีใครเป็นเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านหลวงพ่อก็เลยเอาแจกทั้งหมดนั่นแหะ ผู้ใดอยู่ในเขตในหมู่บ้านนี้แปลว่าได้รับของแจกทั้งหมดนะและก็พร้อมกันก็เอาให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นคูปองแจกเป็นแต่และครอบครัวครอบครัวแต่ปีที่แล้วเอามาแจกที่ซาลาใหญ่แต่ก็ดีแต่ก็ไม่ดีไม่ดีอย่างไรก็คงชาวบ้านบางคนก็ไม่มีรถจักรยานก็ไม่มี รถก็ไม่มีเวลาเดินมามารับของของนี่ก็ข้าวสารก็6กกิโลข้าวสารเจ้าหกกิโลข้าวสารเหนียวอีกน้าปลาอีกน้ํามันพืชอีกแล้วก็จะหิ้วของไปพลุงพลังก็หนักหนาสําหรับผู้สูงอายุพอสมควรเพราะนั้นหลวงพ่อวันน้าจะไปแจกที่ผู้ใหญ่บ้านหรือห อ, อไปชุมของหมู่บ้านฮ ให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศตามสายจากนั้นก็ให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์ที่จะมารับของก็มารับตรงที่หอประชุมก็จะเกิดประโยชน์อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนลูกหลานไม่ให้เดินทางไกลามาถึงมารับที่วัดอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งขอให้คณะกรรมการช่วยวยกันคิดช่วยชกันพิจารานาะ แต่ลุงพ่อนะ่ยอยากจะให้ทั่วถึงถึงจะมีเป็นของเล็กน้อยก็เป็นน้ําจิตน้ําใจของพี่น้องประชาชนาผู้ที่ไม่ได้มาใส่บาตรทุกวันก็เห็นพี่น้องชาวบ้านของเราใส่บาตรทุกวันควรจะได้รับรางวัลจากน้ําจิตน้ําใจของพี่น้องทางไกลอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็พร้อมกันก็จะมีการาวันงานจริงก็คงจะมีหลุงพ่อก็คงจะออก MP3 ข่าวนี้จะออกเป็น6แผ่นสี่แผ่นเป็นธรรมเทศนาหรือว่าแนวความคิดของหลวงพ่อเทศต่างกลามต่างวาระแต่อีกสองแผ่นหลวงพ่อไปจัดงานขององค์หลวงปู่จามมหาปุญโญแล้วก็เทศหรือว่าอบรมหรือว่าพูดในงานของหลวงปู่จามแนะนําพวกน้องๆทั้งหลายที่มาร่วมงาน หรือว่าพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมงานของหลวงปู่จามพระหลวงปู่จามเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อด้วยเป็นหลวงอาด้วย เ, เป็นญาติผู้ใหญ่ในเมื่อท่านหลวงรับรับขันไปหลวงพ่อก็ในฐานะหลานก็ได้ไปทําหน้าที่ช่วยๆกันกับพี่ๆน้องๆลูกๆ ล, ล้านดานทุกคนเพวัะนั้น เราจะปล่อยปล่าละเลยเสยเมยก็ไม่ได้แต่เท่าเราจะเป็นเจ้ากี่เจ้าการมากเกินไปก็หลวงปู่จามเป็นพระสาธารณะเหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยพี่น้องทั้งหลายจะมายึดมาจัดการทีเดียวก็ไม่ได้เพราะหลวงพ่อจะต้องมอบให้กับคณะสงฆ์คณะสัตยาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านี้ก็เหมือนการหลวงปู่จามของหลวงพ่อหลวงพ่อได้ไปร่วมงาน ก็ได้พูดต่างกล้ำต่างวาระมีทั้งสองแผ่นเพราะนั้นเอาไปฟังฟังดูนะคณะสธาญาติโยมลูกหลานทุกๆท่านและก็พร้อมกันวันที่จะถึงเนียวันที่ 26-27 ี่ที่มีกำหนดการที่กำหนดการออกมานีหลวงพ่อก็คงจะได้กล่าวเกี่ยวกับเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาด้วยเพราะว่า แนวความคิดเห็นมากหลากหลายในเอกสารของหลวงพ่อก็หลวงพ่อก็บอกว่าขอให้พี่น้องกลุ่มสิทธิญาติสิทธิ์ขององค์หลวงตามีความพร้อมเพียงสมัคคีกันเอาเลยเอาตรงไหนก็ได้หลวงพ่อเองพร้อมที่จะสนับสนุนทุกที่ขอให้ให้ตกลงกันหลวงพ่อไม่ได้ว่าอะไรทั้งหมดแต่ทีนี้มันก็ยังยังมีความคิดเห็นยัง ไม่ตรงกันในจุดสถานที่วันนั้นหลวงพ่อก็บอกอถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ชีวิตของหลวงพ่อนี่นะลูกหลานนะปีนี้จะเข้าปีเจ็ดสิบแล้วนะลูกหลานวันนี้ไปถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาหกสิบเก้าปีเต็มแล้วก็วันที่ยี่สิบแปดก็ขึ้นเลขเจ็ดแล้วแปลว่าอายุเจ็ดสิบแล้วในเมื่ออายุคนเจ็ดสิบเนี่ย พี่น้องพีพนง่น้องของหลวงพ่อพี่ชายใหญ่ก็อายุ7จ็ปีก็มรณะไปแล้วเมื่อปีที่แล้วกับพี่สาวอีกอายุ77ปีก็ไปแล้วหลวงพ่ออิ น, นจะอยู่นานสักเท่าไหร่ น, นี่ก็น่าคิดอีกเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อเองชีวิตที่ยังเหลืออยู่ยจะได้เห็นหรือไม่เยีดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเพราะนั้นหลวงพ่อว่าถ้าหาว่า สัทยา ญ, ญาติโยมคณะสงฆ์ยังไม่สามารถที่จะขึ้นที่บ้านตาดได้ก็เอามาที่นาคับน้อยของเราแต่เราไม่ได้แย่งเอาจำนวนนั้นหรอกอันนั้นก็คือมันมีอยู่แล้วมันพร้อมอยู่แล้วจะตุปจัจตั้งหลายร้อยล้านก็มีคีว่าเพียงพอสำหรับจุดนั้นแล้วก็ส่วนเราเองหลวงพ่อเองก็อยากจะเห็นเจดีพิพิธภัณฑ์ขึ้นที่วัดป่าบ้านตาดอย่างมาก เพราะเหตุไรเพราะว่าจุดนั้นเป็นบ้านพ่อเป็นบ้านขององค์หลวงตาเป็นบ้านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใครๆก็อยากจะให้ขึ้นเราก็รอรอรอแต่บางท่านอย่างหลวงปู่ลีเนี่ยท่านก็ไม่รอท่านก็สร้างที่พาแดงท่านเลยท่านโสภากับท่านที่สั้นที่น้ำเกียวเถ้าแก่สมหมายสร้างก่อนหน้านี้แล้วก็เมืองการวัดเสือท่านก็สร้างแล้ว แต่วัดของเราหลวงพ่อของเราหลวงพ่ออินเนี่ยรอรออยากจะเห็นเจดีขึ้นที่วัดป่าบ้านตาดเมื่อขึ้นที่นู่นแล้วเสร็จแล้วเราจึงค่อยมาคิดที่วัดของเราก็ได้แต่ทีนี้พอรอไปแล้วไม่มียังเงียบยังเงียบอยู่ไม่รู้ว่าจะขึ้นวันไหนหลวงพ่อก็เลยขยับขาดูจนถ้าหากว่าทางบ้านตาดไม่ขึ้นจริง พวกเราก็คงจะทำพิพิธภัณฑ์แบบย่อมๆไม่ใช่เจดีนะพิพิธภัณฑ์คล้ายๆบอหอธรรมจะเน้นทางหอธรรมหอธรรมนี่นคืออะไรก็คือประวัติขององค์หลวงตาเมื่อทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็มีประวัติของหลวงตาหลวงตาอยู่ที่ไหนไปยังไงสำเร็จมรรคผลอย่างไรช่วยเหลือประเทศชาติยังไงคุณธรมธรมจิธรรมยุตยธรรม ขององหลวงตาแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนอย่างไรต่างกลัมต่างวาระเพราะนั้นหลวงพ่อเองอยากจะเอาทำคำสอนขององหลวงตาเนี่ยมาลงที่วัดป่านาคำน้อยออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ความคิดของหลวงพ่อทีเดียวก็คงจะถามคณะสงฆ์คณะศิษยาณุศิษย์ทางหลายเพราวาการที่จะทำอะไรไม่ใช่หลวงพ่ออินทำคนเดียวทำคนเดียวไม่เสรหรอก ต้องอาศัยพี่น้องประชาชนสัตยา ญ, ญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่ามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันที่จะเอาลงที่จะมาสร้างเพราะหลวงพ่อเองไม่ไว้ใจในชีวิตพออายุเจแล้วจะยืนนานไปสักเท่าไหร่แล้วก็าวาทางว่าทางทุณนบอกเออวันนั้นเดือนนั้นปีนี้เราก็พอจะมีความหวังอันนี้ยังไม่มีความหวังอย่างเรื่อนรอยเพราะนั้นเราจะไปหวังในความเรื่อนรอยนี่ย แล้วพี่จะไปหวังอย่างไรแต่หลวงพ่อเนี่หลวงพ่อไม่ขัดข้อง เ, อเพราะว่าหลวงตาท่านก็มาสร้างเอาของมาให้ที่วัดป่านาคําน้อยของเราแล้วท่านหลวงตาสัานสงเคราะห์อนุเคราะห์ทำไมเมื่อท่านยังทรงธาตุาขันอยู่บางเดือนท่านก็มาเดือนละครั้งสองครั้งก็มีแต่เกือบจะไม่ขาดในช่วงหลังๆเดือนละครั้งแต่ช่วงอายุมากแล้ท่านก็บอกเราคงจะไม่ได้มาอีกเนะ ท่านได้มาคงจะนานๆคราวนี้สุขภาพของเราไม่ดีก่อนที่ท่านจะห่างหายไปท่านก็ได้บอกไว้อยู่นี่แหละอันนี้ก็คือเมื่อลงตาท่านแต่ก่อนหน้านี้ท่านก็ให้เรากำแพงยาวทั้งเกือบ7กิโลหกิโลก็700กว่าเมตรจากนั้นก็เขื่อนด้วยสระน้ำด้วยท่านก็ยังถามว่ายังมีอีกไหมถ้าต้องการก็บอกนะ ท่านยังบอกอีกแต่เราก็ไม่รู้จะเอาลงตรงไหนสะน้ำนะนี่แหละคือท่านจ ะ, จะช่วยพวกชัดพวกปลาพวกอะไรให้มีอุดมสมบูรณ์เพราะทางอีสานนี่โดยมากขาดน้ำในแถวบ้านเราเพราะนั้นท่านจึงจะเน้นหนัก เ, เรื่องของน้ำภายในวัดทนะั้งหมแล้วก็คือลวงตาในให้วัดเราเนี่ยมากถ้าจะเปรียบเทียบกับองค์อื่นพูดอย่างนั้นได้เลย ถ้าว่าไม่เชื่อเอาองค์ไหนที่ได้รับความอนุคะห์จากหลวงตาทางด้านวัตถุเนี่ยหลวงพ่อก็อยากจะรู้เหมือนกันแต่หลวงพ่อว่าหลวงพ่อได้มากกว่าเพื่อนเอพราะเหตุไรเราจึงได้มากกว่าเพื่อนก็ไม่ใช่ว่าหลวงตาลักเราเมตตาเรามากกว่าองค์อื่นไม่ใช่อย่างนั้นหลวงตามาเห็นเราอยู่ในที่กันดานสมัยก่อนท่านมาเนะี่ก็เป็นทางฝุน่นแล้วอยู่ในป่าดงพงไพ่ท่านก็มาเห็นป่า ท่านก็บอเออน่าจะช่วยรักษาเนื้อที่กว้างขวางพอสมควรท่านก็บอกจะสร้างแต่ทำกำแพงไหมเนี่ยท่านก็ถามเลจากนั้นเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากกงหลวงตาเพราะกำแพงมันก็ยาวเพราะเนื้อที่กว้าง1ัน0กว่าไร่ในวัดของเราจากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็ขออนุญาตขอโฉนดที่ดิน ก็ได้รับโฉนดทั้งสองแปลงคือแปลงที่ป่าลำไยเนี่ย2ีไร่และกแปลงใหญ่ก็3 0 0กว่าไร่พัน0กว่าไร่ก็เป็นโฉนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นการที่จะสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาจะสร้างพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเนี่ ย, งององ ล, งยลงจุดไหนหลวงพ่อเองในฐาน ะ, เ, ะเป็นเจ้าของวัดก็เป็นเจ้าวาดถือว่าองค์หลวงตาเนี่ยเป็นปูชนียะ ตระกูลของเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราจะเอาลงที่ไหนลงพ่อบอกได้เลยในใจหัวใจของหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าจะเอาลงที่ไหนลงที่ศาลาที่เราใช้ประจำทุกวันอยู่ในวัดเอาหลังเอาลงตรงนั้นเลยใช่ไหมเหมาะสมที่สุดจดทายาิโยมพี่น้องลูกหลานพระสงฆ์เห็นพ้องต้องการเอาลงที่ไหนโอ้เอาลงที่ตรงศาลานี่แหละหลวงพ่อพ่อลงเป็นที่ เหมาะที่ศาลาตรงนี้เอาเลยหลวงพ่อบอกอย่างนั้นนะแล้วก็ที่โรงน้าร้อนที่หลวงตามาที่ไรทั้งเขามาพักมานอนอยู่ที่นี่พวกผ้าเนนทั้งหลายได้มานวดเส้นถวายท่านทุกครั้งเอาลงตรงนี้ เ, เป็นที่ลํำลึกถึงองค์หลวงตาพ่อหลวงตาได้มาพักนอนอยู่ที่นี่ได้มานวดเส้นถวายถวายเส้นท่านที่นี่เอาตรงนี้จะเหมาะกว่าหลวงพ่อเออเอาเอาเลย แล้วที่กุติของหลวงพ่อมันอยู่ในที่เนินดีที่เหมาะเอาลงที่กุติหลวงพ่อดีไหมเอาเลยหลวงพ่อไม่ได้ว่าอะไรทั้งหมดสำหรับบูชาพระคุณองค์หลวงตาแล้วให้ทุกที่ทุกสถานไม่ได้ขัดขวางขอสำคัญขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเห็นพ้องต้องกันจะเอาตรงไหนก็ได้แต่หลวงพ่อเองก็หลวงพ่อก็ได้ชี้จุดสถานที่ สอสามแห่งสองแห่งให้พวกท่านทั้งหลายพวกพระทั้งหลายได้ไดคิดนะว่าจะเอาตรงไหนที่เหมาะสมที่จะลงพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อก็ยังไม่ได้ปักใจว่าเอาแน่เพียงแต่ขยับขาดูว่าเห็นพ้องไหมต้องกันไหมพี่น้องคณะรัทยาตญญิโยมลูกหลานทุกหมู่เหล่าที่เคารพรักใน หนึพ่อแม่กูบาอาจารย์องค์หลวงตาแล้วก็ที่เป็นรักเคารพในองค์หลวงพ่ อ, อ, อที่ว่าพูดกันได้เชื่อถือกันได้ยอมรับกันได้ว่าที่หลวงพ่อมีความคิดเห็นอย่างนี้นะลูกหลานมีความเห็นอย่างไรเห็นพ้องต้องกันไหมหลวงพ่อเนี่ยอายุ70แล้วบ น, นะลูกหลานนะไม่ใช่พ้าน้อยผ้า น, นุ่มนะเก๊ะเก๊กงกลางกักกักหยู่ไปทํำยังไงทําอะไรก็รีบๆทําจบๆไป เพื่อบูชาพระคุณหลวงตาพอทาเสร็จแล้วเราจะได้หน้าได้ตาไปที่ไหนหลวงพ่อไม่คิดว่าจะได้หน้าได้ตาเพราะเจดี JD, พิพิธภัณฑ์ของหลวงตามีแต่เชิดชูบูชาเอาทำคำสอนของท่านประกาศเผยแผ่ต่อไปในโลกต่อนานเท่านานแต่ทั้งนี้ทางนั้นเจดี JD, พิพิธภัณฑ์เจดีเนี่ยหลวงพ่อปรึกษากับใครท่านผู้ใด ผู้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นสิทธ์นะเป็นคารวาตก็ดเีเป็นหมูพวกเพื่อนก็ดีก็ยังเห็นพ้องต้องการว่าควรจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาจะมากกว่าเพราะหลวงตาเนี่ท่านเน้นเรื่องพิพิธภัณฑ์เรื่องเจดีย์ท่านบอกว่าอย่าสร้างนะเจดีย์ของเราแต่นะั้นเป็นแนวความคิดของท่านาที่ท่านห้ามนะก็คือพวกเราต้องคิดดูให้ไกลคิดดูให้ละเอียด ท, ท, ท่านห้ามแล้วก็เราจะไปถือเอาคําพูดของท่านทีเดียวก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกับท่านว่าเมื่อเราตายไปแล้วนะ่ะต้องไปขอโกรธชั้นพรมชั้นธรรมนะมาให้เรานะมาในงานประดับศพของเรานะต้องไปเอาขอโกรธนะมาประดับนะถ้าพวกเราได้ยินลยสิทธิอนุสิ์ได้ยินละจะมีความรู้สึกอย่างไร แต่ท่านปฏิเสธว่ามเมื่อเราตายไปแล้วนะไม่ต้องประดับอะไรตกแต่งอะไรมากมายนะไม่ต้องขอโกรธไม่ต้องขอพระราชทานอะไรก็ได้ไม่ต้องขอท่านนะรบกวนรบกวนท่านนะไม่ต้องนะอันนี้ก็คือการอ่อนออ น, น้อมถ่อมตนสำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วอันไหนเหมาะสมอันไหนสมควรก็เป็นหน้าที่ของสิทิ์ญาณวิสิ์ทั้งหลายจะต้องช่วยกันคิด ว่าอันไหนจะเป็นเครื่องเชิดชูบูชาพระคุณของของท่านอันนี้ก็เหมือนกันถ้าท่านบอกไม่จ้องสร้างเจดีย์สำหรับเราเราจะจบเพียงแค่นั้นก็ไม่ได้แต่ตามไม่จริงเจดีย์นี่คืออะไรในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกถูประหับบุคคลสี่จำพวกสมควรที่จะสร้างสุทูปพระเจดีย์คือพระพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าพระาราหันตสาวกพระเจ้าจักรพัท นี่แหละคือสี่จำพวกคือองค์หลวงตาของเราเนี่ก็คือพระยะพระอรหันต์สาวกสมควรยิ่งที่จะสร้างพระเจดีย์สถูปพระเจดีย์ถวายเป็นเครื่องเชิดชูบูชาในพระธาตุของท่านอันนี้ก็คือเรามั่นใจว่าองค์หลวงตาเนี่คือพระอรหันต์แต่ส่วนหอธรรมหรือพิพิธภัณฑ์นั้นคือเป็นการประกาศเผยแผ่ทำคาสอนขององค์หลวงตา จะเป็นศีลาหลักสีลาจารึกหรือว่าแผ่นสเตนเลสประวัติขององค์ท่านท่านได้ช่วยเหลือประเทศชาติอย่างไรชีวิตของท่านเป็นมาอย่างไรชีวิตมพมอาจารย์การปฏิบัติธรรมของท่านได้สําเร็จมักสําเร็จผลอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะนํำทำคําสอนของท่านประวัติของท่านเอามาประกาศมาเผยแผ่ให้กับคณะสิทธิอนุสิทธิลูกหลานต่อไปภายภาคหน้า ถ้าลูกหลานผู้ใดมีอุปนิสัยมักผลนิพพานอยู่ในจิตใจพอได้มาอ่านมาศึกษาอลงตาท่านก็ไม่อยากจะบวชแต่พ่อแม่ให้บวชแต่ว่าท่านก็เคารพในพ่อแม่ของท่านนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกของหลานบางคนก็ดันทุลังไม่เชื่อคําพ่อแม่แต่พ่อแม่ขอร้องเราเกิดมาทั้งทีท่านเลี้ยงดูเรามาขนาดไหนท่านขอร้อง เราก็น่าจะปฏิบัติตามทำคำขอร้องของท่านนี่ลวงตาก็เหมือนกันพ่อแม่อยากจะให้บวชท่านก็ไม่อยากจะบวชเนี่เมื่อท่านพ่อแม่ขอร้องจนน้ำตาพ่อแม่ล่วงฮะท่านก็เออเอาหลับบวชให้แต่บวชถ้าจะมาบังคับผมไม่ได้นะจะให้วันบวดเท่านั้นปีเท่านึงเดือนไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะจะศึกวันไหนผมก็จะศึกเออเอาเลยพ่อแม่ก็ยินดี ท่านกระบวตมาตลอดมาจนไม่ได้ลาศึกขาเลยจนตราบเท่าชีวิตของท่านเพราะท่านซึ้งในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ได้ศึกษาพุทธประวัติศึกษาในสาวกประวัติจากนั้นก็เลยลงมือประพฤติปฏิบัติจนมั่นใจว่านี่ลคือหลักธรรมคำสอนออที่เป็นอมะตะหรือว่าเป็นหลักแกนสารของชีวิตจากนั้นท่านก็ได้ปฏิบัติไม่ลาสึกขาเลย อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นอันนี้ถ้าว่าเราได้นำปฏิปทาของท่านออกมาประกาศเผยแผ่ในหลักศิลาจารึกก็ดีหรือว่าเป็นแผ่นสเตนเลดติดไว้ให้คนได้ศึกษาก็ดีกุ่ระบุตรผู้มีอุปนิสัยมีนิสัยมีการประพฤติปฏิบัติในหลักเหตุผล<ๆ>ก็จะยึดแนวแถวองค์หลวงตานำไปประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์ ต่อคุณลบุตรชุดท้ายภายหลังนานเท่านานเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละที่หลวงพ่อได้คิดคิดขึ้นมานะคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานแต่วันที่26เน่ยเย็นวันที่26่สิบหลุงพ่อจะได้ประกาศอย่างเสียงจากพี่น้องประชาชนสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานแต่นี้เป็นวันนี้เป็นวันเกินเกินคำนี้ก็คือใครกายบอกออกสถานีวิทยุรู้ซิ วิทยุของเรานี่ไม่ได้ออกมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่นู้นตั้งแต่ออกควรษสาออกพรรษสาก็ได้ออกงานกระตินก็ได้ออกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะวันนี้ก็ทดลองออกออกจากสวนลำไยขึ้นไปสถานีดูว่าเสียงชัดเจนไหมหนะนะลวงพ่อก็ลืมบอกไปเหมือนกันน่าจะไปฟังในรถของเราดูซิเปิดดูซิร้เสเมกะเฮิร์เนี่ยนะเป็นไงเสียงชัดเจนหรือเปล่านะพอลง หลวงพ่อก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะอาจจะหนูอาจจะกระรอกกระแตกัดสายไฟแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะนานแล้วไม่ได้ออกนะวันนี้ก็ได้กล่าวเรื่องราวอะไรให้คณะสัตยา ญ, ญาติโยมทั้งหลายได้ไดรับรู้รับทราบแต่ถึงอย่างไงวันที่26ก็จะฉันที่ศาลาหลังนี้นี่แหละนะพอฉันเสร็จแล้วตกตอนเย็นก็จะมีการไหว้พระสวดมนต์อย่างที่หลวงพ่ออ่านกาหนดการ ให้พวกคณะสัทธาญาติโยมได้ฟังนั่นแหละเขาคงจะไปตามนั้นละแล้วก็วันที่27เคงจะทำพิธีมันคงไม่ทำพิธีอะไระตักบาตรเสร็จแล้วก็พระสงฆ์อนุมโมทนาให้ก่อนที่พระสงฆ์จะอนุมโมทนาให้พรกถวายจะตกปัจจัยทายธรรมครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานแต่ทราบว่าท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดอุดรที่ท่านเคยมาร่วมสมโพธพระพุทธรูปกับพวกเรา ท่านก็คงจะมาร่วมอีกมั้งในคราวนี้ก็หลวงพ่อเองก็ข อ, อกล่าวอัรานาครูบาอาจารยา์หมู่พวกเพื่อนทุกองคยินดีรับในครูบาอาจารย์เพราะหลวงพ่อเองเขไม่ได้กล่าวไม่ได้นิมนต์หลวงพ่อต้องการความเรียบง่ายนะแต่ความเรียบง่ายของหลวงพ่อเนี่ยกคณะทศัทาญาติโยมทุกหมู่เหล่า ที่รู้จักมักคุ้นก็หลังไหลามาก็ธรมรมดามันก็ต้องใหญ่ขึ้นมาเพราะมาหลายคนแต่ให้หลวงพ่อกาปรารถนาเป็นในลักอักษรหรือเชื้อเชิญผู้ที่คณะสัตยา ญ, ญาติโยมหลวงพ่อก็ยังไม่เคยทำตั้งแต่กระจัดงานมาแต่นี่ก็สุดแท้แต่พี่น้องประชาชนจะลั ง, ลงไงหรือว่าครูบาอาจารย์จะมาร่วมงานอย่างไรขอกล่บวปรารนาครูบาอาจารย์แล้วก็ ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ามาร่วมในวันที่26เย็นและวันที่27เช้าจากนั้นก็คงจะหมดคงจะจบในพิธีกรรมของพวกเราในปีหนึ่งหลวงพ่อขยับขึ้นไปอนี้อายุเจ็ดสิบแล้วคุณหลงคณะสัทธาญาติโยมนะโยมเท่าแก่ลานมันสามเหลี่ยมถามว่าหลวงพ่อ หลวงพ่อเจแล้วจะให้ลูกหลานเรียกอย่างไรหลวงพ่อแต่หลวงพ่อก็อยากจะเป็นหลวงพี่หลวงอามบรนกัาณาอจังหวัดหลวงพี่อินเหลือมันจะคักจะเกินไปมั้งถ้าจะเรียกหลงตาเหมือนกับไปซ้อนกับองค์หลวงตาเดี๋ยวจะไปเปรียบเทียบกับองค์หลวงตาอีกเอาถ้าจะ่งไงอยังไงกัอายุแกพอแล้งนั่นเรียกลงปูกัแล้วกันน่ะลูกหลานหน้าหลวงพ่อก็ว่ากันนะ ใครจะเรียกยังไงก็เรียกนะเนี่นยหลวงพ่อว่าให้เรียกลงปู่ก็ได้นะถ้าจะเรียกลงตาเดี๋ยวก็จะหาว่าซ้ําซ้อนลงตาใช่ไหมก็หลวงพ่อก่อนอาุเจิแล้วเนี่ยให้ลงให้ลงปู่ให้คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานจะพาเรียกลงปู่ก็ได้แต่บางคนเขาเอา้าพวกเราก็อายุห้าสิสิปีแล้วจะไปเรียกลงปู่ได้ยังไงหลวงพ่อก็เอาเรียกตามลูกตามหลานที่ เอ่ถ้วหากว่าลูกหลานของเราตัวเล็กๆเกิดมาเดินตามหลังปู่ตาเนี่ยจะมาเรียกหลวงพี่อินหลวงพี่อินจะได้ยังไงใช่ไหมเราก็เอิดลูกปูนะหลวงปูเราก็ต้องว่าอย่างนั้นใช่ไหมอย่างหลวงปู่จามก็เหมือนกันหลวงปู่จามถ้าหลวงพ่อเรียกก็ต้องเรียกหลวงอาใช่ไหมหลวงอาจามพอน้องพ่อแท้ๆเนี่ยเรียกตามศัพท์น่ะ แต่หลวงพ่อเนี่ยพาลูกศิษย์ลูกหาไปจะไปเรียกลงอาได้ยังไงใช่ไหมหลวงพ่อก็ต้องเรียกหลงปูฮะหลวงปูครับอ่าเพราะเหตุไรเพราะเราเรียกในนามของลูกของหลานคณะศิษยานุศิษย์ของเราเนีเราก็ต้องเรียกหลวงหลวงปูฮะอย่างหลวงตามหาบัวก็เหมือนกันหลวงตามหาบัวเราจะไปตะกรงหลวงพ่อเว้ยเราเป็นผู้ชายจะไปเรียกหลงตาได้ยังไงวะ เต้องเรียกหลวงปู่สิวะลวงพ่อก็เห็นไหมศาลาโรงเรียนมัดโรงเรียนปฐมที่บ้านนาคำน้อยอายุ84ปีลวงพ่อก็ตั้งชื่อว่าอาคารเรียนหลวงปู่มหาบุญธสัมปโนนะลงพ่อก็ตั้งชื่อหลวงปู่นะแต่ทุกวันพอคนเรียกหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆลวงพ่อก็แขวะไปเหมือนกันจะไปเรียกลวงปู่คนเดียวได้ยังไงใช่ เขาพาเรียกหลวงตาทั่วบ้านพ่วเมืองหลวงพ่ออินจะไปเรียกหลวงปู่คนเดียวได้ยังไงหลวงพ่ออินก็เลยเรียกตามคนทั้งหลายเรียกว่าหลวงตาเหมือนกันะแต่หลวงพ่อเขาไปใกล้ท่านหลวงพ่อจะไม่เรียกหลวงตานะหลวงพ่อก็จะเรียกว่าพ่อแม่ครูจาจารยโอ้ขอโอกาสพ่อแม่ครูาจารย์ครๆว่าเรานับถือตั้งแต่เราไปอยู่กับท่านเราก็ตั้งเคารพนับถือเลื่อมใสท่าน ใช้ศัพท์นี้กับองค์ท่านมาตลอดเราสนิทใจขอกราบพ่อแม่ครูบาจารย์โดยมากข้อแม่ครูอาจารย์เรากราบพูดทุกครั้งที่เราเรียกกราบพันธ์เราก็ไม่ได้ว่าหลุงตานะถ้าอยู่ข้างนอกแล้วก็เรียกลุงตาเหมือนกับพี่น้องชาวบ้าน ท, ทั่วไปแต่เราเข้าไปหาองค์ท่านจริงๆเราก็กราบพ่อแม่ครูอาจารย์อันนี้ก็คือศัพท์แต่สุดแท้แต่พวกเรา บางคนก็อาจจะ ด, ด่าหลวงพ่ออินต์ต่างหากก็ไม่ว่ากันอีกเหมือนกันนั่นแหละพอมีสิทธิ์ทุกคนทุกคนเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกอะไรก็ได้ทั้งหมดนั่นแแต่ควรจะเรียกความนอบน้อมดีกว่าดีกว่าด่ากั น, นต่อนนี้ไปคณะสงฆ์จะโนโมนาให้พอนัลูกหลานนั่นนี่นะ